เหลือหลายกรียนหมดนะผมผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่เห็นตึ้งเบาๆนะที่เป็นหงส์เพืเวลาเข้ามามีกี่รายมันก็มองเห็นได้ชัดๆแนตะ่มันขวางกันนั่นนะกีฬนาไม่กีฬนาไม่สําคัญสําคัญยิ่งผิดต้องเป็นผิดนั่นนะไม่เคยให้อภัยแก่ใครก็เกียติาไม่เกียรติ ความผิดทั้งหมดมันเป็นเรื่องดีมันไม่ได้ดีมีดอกมันทำให้คนมายประชุมการงานก็นมากสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเราพยายามไม่มีงานมีการเลยมีกุลาอะไรจะทำอะไรที่ไหนนี่ทำ ยึดถือเป็นของสาคัญยิ่งกว่าจิตใจทํางานอะไรอยู่ก็ให้มีความเปลี่ยนในใจคือสตินี่เคยพูดเสมอย้ำแล้วย้าเราเราไม่เห็นสิ่งใดสําคัญยิ่งกว่าสติปัญญายังไม่เช้าวานก็ท่านี้เก็บหมัดจะบในโป้นนั้นเราเอาไปคิดจนกระเทือนใจเหมือนกันเก็บมาตั้งนิยนที่มีป่ปาง เราไม่สาคัญแล้วก็หมัดนะเราไม่เอาหมัดมาสอนไม่เอามาโอมาสอนเราภาพมาสอนนี่สําคัญตรงนี้ถ้าคนชาติติปัญญาบ้างจะเก็บหมัดที่นี่สมอยูีที่ไหนที่ไหนเก็บที่นี่ที่นี่เก็บไปเรยนี่เท่านี้เลยเห็นปัญญาเห็นติเห็นปัญญาขวดนั่นเราอาตรงนั้นให้ทาอะไรก็ตามเป็นเรื่อง ของสติของปัญญาทั้งนั้นที่เราพาทำตอนนั้นเราไม่ถืออะไรนอก น, นั้นเป็นสําคัญยิ่งกว่าที่จะถึกตัวเองทาอะไรสติไม่มีปัญญาไม่มีมันดีไปแล้วหรดีก็เลยนั่นนี่อ่อนตาว่าอ่อนใจอ่อนตรงอ่อนมากจนสมัยเข้าใจว่ายิ่ง เ, เป็นของเลินเล้นหรือ เคยพูดมาแล้วจิตข้างกิ่ ง, งมันเหยียบหัวใจโลกให้จงในวัฏฏะทั้งสามนี้ตรงไหนมีกองสิทธิ์ในวัฏฏะวนทั้งสามไม่ได้แบกทุกข์ไปด้วยทุกพวกทุกชาตินี้ขึ้นคือว่าพบแล้วก็คือว่าทุกตัวเองท่านยังบอกวันดูข้างอสีอาชาติตว์ทุ่มย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นบางทีเกิดตรงไหนมีทุกตรงนั้นมีมากมีน้อย ต, ตามส่วนของทุก นี่มันจะเรื่องเล็กน้อยภาสิตป้อ น, นี้พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทีเดียวอยู่ในนั้นท่านเชื่อพระพุทธเจ้ากับเชื่อภาสิปนี้ภาสิปนี้ลาบคน อ, อกจากทุกข์แทออกจากความเกิดคือความทุกข์แท้ความเกิดนั่นแหละคือคคกองเทิงกองหนึ่งนั้นยังไม่รทราบอ่เลยทําจิตให้มันทนจากความหมุนของกิเลสดูจิตมันจะเป็นยังไงทําไมถึงว่าพระพุทธเจ้าก็เกิด ที่พานังปรามังวันติบุตถามันเอาขีจัดทั้งหลายว่าพระว่าพระนิพพ า, านไปสุ่อย่างยิ่เอาอะไรมาสูขอย่างยิ่งมันตะก่อนพอดีไหมเมื่อกิเลสคอบหมอใจพระพุทธเจ้าอมใดมาก้าวพูดเรื่องกิเลสว่ามีความสุขแข่งธรรมวุชิชจาเคยมีไหมฟังเลยมื่อกิเลสออกหมดจากใจแล้วจึงเป็นความสูขอย่างยิ่ง น, นั่นตั้งตรงนั้นดี อิทธิณิธรรมชาติบีบบังคับคือไม่เอาความสุกมาทาําไรตั้งแต่คนยังหายอิสระไม่ได้เมื่อถูกบังคับอยู่แล้วหายอิสระได้อย่งไรความไม่มีอิสระก็คือความทุกข์นั่นเองความม่อิสระกับความพ้นจากสิ่งกุศลบังคับก็คือความสุขอิทธิ์เวลาไหนเวลที่ไม่ถูกบังคับบังคับ ยิ่งจะกิดท่นถือก็เป็นทุกเวลาทุกเหยีบหัวใจอยู่ทาไมไม่รู้สึกตัวนี่ถูกกล่องขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของยูเหลเดอีกประเภทหนึ่งเดือนถึงเพ่งมันก็ไม่รูมันเหยียกขนาดไหนเดือนมันสันดด้นะจะเบี่ยงมันจะเป็นเหนียวเยัะท่นเป็นทัานตายถึงจะรู้ ด้วยสติปัญญาเนี่ยเป็นสาคัญไม่ใช่อย่างอื่นเข้าต่อสู้มี่คืเรื่องของสติปัญญาสู้เฉยๆในเรื่องอะไรคนทุกข์จนตายสู้จนตายอะไรก็ไม่เห็นได้ไประโยชน์อะไรถ้ามันสู้ด้วยสติปัญญาทนต่อทุกข์ทนด้วยคนอย่างคนเป็นท่าดีทนไม่ทนจะทุกข์ทนจะทํำไงนี้ไปไหนรอดไม่มีทางก็ต้องทนทนจนตายได้ความพิเศษอะไรอ่ะ เทนต่อทุกเรา ย, ยัางทนได้อย่างนั้นทนจนตายทาไมทนทุกข์ต่อสู้กับกิเลสมันทนไม่ได้ถ้าจะเป็นนักเจ็บเสียงให้เห็นหาผลเพื่อตัวรอดต้องมีทางออกเป็นได้คนเหล่าไม่มีใครฉลาดเกินมนุษย์อันในขนาดเดียวกั น, มนกไม่ก็มีใครโง่เกินมนุษย์เป็นสิทธิ์เพราะิเลสครอบหัอยังให้โง่เงนเรื่อ่ ทำอะไรให้เสร็จในสั์เวลาฉันอาหารเสร็จแล้วรีบจัดรีบทำล่างบาดเช็ดปาดเข้าทถลกมีทุนละรีบไปยามาัดเป็นผ่นันผ่านเด่ น, นด้านๆไปตามนี้นะไม่เห็นความเพียงมีสำคัญจะเห็นอะไรเป็นสำคัญในเพศของพระนี่กีของพระ ค, คืออะไร พวกภาพพวกอะไรอะไรมาตัดเพียงพอกันไหมตัดจุบงจีวรนอะไรตอ น, น, นเปิดโอกาสให้ตัดกันอะ่ะหึเพียงพอก็ให้หามาตัดจนเพียงพอกันผมก็บอกแล้วมีไม่ซ้ำซากบอกอะไรบอกด้วยความตัดความคิดบอกก็เห็นด้วยผล ปีปัญญาไม่มีสมาธิความสงบแน่นิดหน่อยมันจะมีไม่ได้เลยความปีกีบังคับกินดิ้นรนคูนกบายนไม่ได้เอาความสูงมาจากทร์งไงหนถ้าเราไม่เคยทุกอย่างแล้วไดี๋ยวความบอบช้ำจะคิดดูดีแนะนำมาพูดให้หฟังค ว, ความบอบช้ําบอกด้วยความเพียน ในการต่อสู้ขี้เกล็กก็ได้พูดได้ฟังมา้ม่กี่ครั้งจริพูดเพื่ออะไรเอามาอวดอะไรวิเศษวิโสอะไรการอวดนอกจากความจริงนั้ น, นเป็นของวิเศษจริงๆนั่นว่าแต่ทางความจริงเลยความจริงนี้โลกป้องการต้อจงจะดทำไม่ได้เรื่อยน่ารำวาน ที่ผ่านมาพก็พอดีจริงๆไปก็ได้ความมาั่ยจิเนี่ยนั่นที่ตายก็ไม่ได้เพราะว่านั้นเราไม่ได้พูดอะไนังการเงินกันต่อไม่ต้องพูดไปพูดเมดื่อวานพอดีเหมนที่ว่าจัจะได้ อ, อ, อ, อุ่นเงินไหมเเดือนนี่แสนห้าวจะอุนดแสนหาเราวๆอ๋อเงินห่งล้ งานเราก็เห็นใจมาทำมันควรจะเสร็จเสร็จไปเรื่อยไม่กวนรำคาญรำคางข้างเพราะตพิ ง, งไปท้องหมดแล้วคนไปคนมาหลายขั้นหล่นคนมาคลไปคนงานคพิมขึ้นรือเปล่าบุคลากเนี่ยพระที่อยู่ชาลาใครมาจากไหนพระมาจากไหนสุสีส่ห่า มาลังนะพระดีไม่มีก่อนมีพระมาดีนะมีมันแสงเลยมานะอะไรๆเกี่ยวข้องเวลาเนี่ยถามหมู่ถามคนเดี๋วก่อนเมือมีพระอาการจุกกรมาเกี่ยวข้องถามเรืร่ อ, องอะไรๆการตอบการอะไรมีความสลับการปฏิบัติต่อพระที่จอนมาเหมือนกัน เราไม่สอนใหนะ้โง่เขาพี่ยอดเขาไม่เคยสอนให้ใครโง่ศา ส, สนาไม่ใช่ศาสนาสอนให้คนให้โง่แล้วพระเราทำไมจะโง่บางองค์เป็นพระตะัก ต, ตะกรามมามีเราพร้อมเสมอที่จะสงเคราะห์โลกมีเท่าไรเราทุ่มเท่าได้ไม่เสียดายเพราะจิตใจเป็นน้าขัญแต่แบบตะกะักตะกรามแบบซุ่มสี่ซุมห้าดูไม่ได้ แม้จะเขายนอาหารเอาโยนข้าวชนาุนักกินชุนักตกัตกา ร, ร์ยังไม่น่าดูทิดดูดิพระเราตะกัตะกรรมน่าดูที่ไหนส่งเสริมคนให้ดีกันหาไม่ส่งเสริมคนให้เสียและส่งเสริมพระธรรมอาจะส่งเสริมให้เสียบางรายได้ยินว่าวันนี้เป็นวัดที่สงเคราะห์สงหายดีมันก็ แแ่กันมาเฮกันมามาแบบนั้นแบบตะะ่ตะกะตะกามันให้ระวังให้ดี ม, มีมาถามนั่นถามนี่ดีวดีเป็นสื่อเป็นทางความเสี่หามาอมีงใสอะไรให้ถามหมูถามเปื่นด้กว่าเลย ประชุม 4, สี่ถึงหเป็นอันเป็นแบบเดียวกันกันกบผู้มาเีโยวข้องนั้นนักเตรียมนิ้ทายแล้ว